พ่นไฟพ้นควันอะไรออกมาเยอะแยะเพอมันขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพอออกนอกโลกไปแล้วหมดแรงเดึงดูดวิ่งเร็วจีเลยการภาวนานี้ก็เหมือนกันนะเริ่มต้นนี้อืดมากเลยกว่าจะสงบสักนิดหนึ่งก็ยากทําอะไรก็ยากไปหมดเลยพอฝึกมากเข้ามากเข้ามันเหมือนจรวดที่ปล่อยไปช่วงหนึ่งแล้วลอยสูงขึ้นไปนะห่างโลก อ, ออกไปแล้ว มันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันน้ํายิ่งเบายิ่งสบายยิ่งโปรง่งใจมันไม่ยึดถือมีความสุขความยึดถือมันก็เป็นแรงดึงดูดยึดถือลอกมันกดึงดูดอยู่กับโลกนะี่นะยึดถือในกามโลกนะโลกอย่างที่คนทั่วไปรู้จักก็ติดอยู่ตรงเนี้ยลมลุกลุกกลานไปอย่างนั้นนะ่ะนึกว่ามีความสุขซะเต็มปานานะไปกินเหล้าเอ ห, หา มีความสุขแล้วเกินคนที่พัฒนาจิตใจแล้วสูงขึ้นมาจากตรง น, นั้นก็เห็นว่ามันไม่มีสาระมมีความสุขจากสมาธิแทนความสุขจากความสงบระดับสมาธิจนกทังค่อยฝึกตัวเองต่อไปนะหเห็นนีความสุขในสมาธินะปัญญาอย่างรู้ลงไปแล้วมันก็ยังไม่ยั่งยืนอีกละใจเราคลาย ค่อยๆห่างโลกอันที่สองห่างโลกอันที่สามออกไปในสุขพลโลกคำว่าพลโลกก็คือคำว่าโลกุตตรลนะนั่นแหละใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นลำดับไป